ความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปัตตมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ในลโลกนี้เนี่ยล้นปรารถนาแล้วก็ใช้เวลาไม่น้อยเนี่ยในการสแสวงหาคนจนน้อยเนี่ยเชื่อว่าจะพบความสุขได้ก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่มี หรือที่มีอยู่แล้วก็มีให้มากขึ้นเช่นเงินทองชื่อเสียงหรือว่าอย่างต่ำๆก็ได้เสพสิ่งที่อร่อยได้ฟังเพลงที่เพราะได้มีความไปอยู่ที่สุขสบายรวมทั้งได้ไปยังที่ที่สวยงามมีสิ่งดึงดูดใจหลายคนปรารถนาจะไป พบกับความสุขที่ภูเก็ตบ้างเขาใหญ่บ้างหรือไปพบความสุขกลายถึงต่างประเทศเ อ, อนตอนนิวยอร์กเกียวโตเวนิสฟอรเรนซ์ยอมที่จเสียเวลาเป็นอาทิตย์แล้วก็เงิน เป็นเมนเป็นแสนเพื่ออะไรเพื่อจะได้พบความสุขแต่ความสุขเนี่ยมันอยู่ที่สถานที่ที่สวยงามหรือเปล่าถามว่าถามว่ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนที่พักอาศัยอยู่ที่เวนิสนะฟอเรนเกียวโตเนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากกว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว แต่บอ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเสมอไปคนที่อยู่ฟอ mm hmm. ร์เรสเซนต์กก็เดินทางมาเมืองไทยเพื mm hmm. ่อจะมาหาความสุขนะคนที่อยู่เกียวโตก็มากรุงเทพหรือมาภูเก็ตเพราะหวังความสุขแต่ความสุขที่ก็ได้ก็อาจจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็เลือนหายไป จริงแล้วความสูขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือสถานที่ที่เราไม่เคยมีไม่เคยไปแต่มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยความสุขไม่ได้เป็นเรื่องไกลแสนไกลแต่ว่ามันอยู่ใกล้แสนใกล้การที่เราจะไปแสวงหาความสูงจากที่เราที่นี่เนี่ยบางทีกลับไปทําให้เราเหืนหา่าย จากความสุขที่แท้จริง ก, ก็ได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อสักส0สิปีก่อนท่านไปทำปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาวันหนึ่งทางฝ่าทไทยก็มาขอให้ท่านเนี่ยช่วยเป็นประธาผู้ดูแลพระทิเบตตอนนั้นเนี่ยคนอเมริกันยังไม่ค่อยรูจ้จัก วฒนาธรรมหรือพุทธศาสนาพระทิเบตใครเร <Okay. S 1> าม้ากก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเพราะก็ไม่รู้ว่าจะต้อนลับขับสู้พระทิเบตซึ่งนิมนต์มาแสดงมาบรรยายที่มหาเทวยอย่างไรก็เห็นว่าอาจารย์ท่านนี้จะเป็นคนไทยเนี่ยนะก็คงพอจะรู้วิธีดูแลหรือปัญหาพระทิเบตเพราะว่าเป็นเอเชียที่ึ่งอาจารย์ท่านชื่อคริสตนะ แต่ว่าท่านก็เป็นคนที่มีความมีความใจกว้างเมื่อพัติเบตรหรือรามะมาถึงท่านก็ดูแลอุปถาประมาณสองสาวันก็ได้สังเกตเห็น ถ, ถึงความสงบความระเริเบิกบานแล้วก็เปลี่ยนวยอารมณ์ขันผ่น ค, คลายของอาจารย์ที่ิเบตท่านนี้ก็เกิด ว่าสุดท้ายเนี่ยเพื่อพระธิเบตเนี่ยจะบินกลับไปอินเดียอาจารย์ท่านนี้นะซึ่งตอนเป็นร่กสาปริร่อเองก็ถามพระธิเบตว่าถ้าหากว่าต้นเรียนจบแล้วเนี่ย จะขอไปอยู่สำนักหรือวัดของพระทิเบตเนี่ยจะได้ไหมสักประโยคนึ่งพระทิเบตก็บอกยินดีแล้วท่านก็ถามว่าทําไมถึงอยากจะมาอยู่วัดอัตามาอาจารย์ท่านนี้ก็ตอบว่าอยากจะไปหาควาสมสงบเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยสงบเท่าไหร่พระทิเบตก็เลยตอบว่า ถ้าคุณถามความสงบที่เมืองไทยไม่พบนะไปวัดอาตมา ก, ก็ไม่เจอความสงบเหมือนกันความพูดสั้นๆ น, นี่ทำให้อาจารย์ท่านนี้เนี่ยถูกคิดมามันผิดจากที่ท่านคิดนึกเอาไว้แต่ในสุดนเนี่ยท่านคงคิดตกนะแล้วก็คงเห็นจริ ง, รงตามที่พระ ท, ทิเบตท่านนี้ว่า เมื่อท่านเรียนจบนะก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็รับราชการสอนที่จุฬานนะจนเกือบจะเกษียณเลยก็ใจว่าท่านคงพบความสงบที่กรุงเทพแลนะ้จริงๆความสงบเนี่ยนะมันไม่ได้แค่อยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะอาจารย์ที่เปนเนี่ยท่านคงจะพูด เป็นในให้นักศึกษาไทายท่านนี้นะ่ะได้กลนาวว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอความสงบใมันทิจใจเรานี่แหละนะถ้าเราหาความสงบพิจัยเราไม่พบไปที่ไหนก็ไม่พบเหมือนกันก็ยังมีความรุ่นร้อนมีความว้าวุ่นอยู่ต่อไปความสงบเนี่ยเป็นยอดแห่งความสุขนะ พาตัดว่าสุดอยู่นี่บความสงบไม่มีแต่ความสงบเนี่ยเราจะพบได้เนี่ยมันไม่้ที่ว่าต้องไปในที่ที่สงบไม่มีเสียงรบ ก, กวนมีแต่คนน่ารักผู้จา่าไพโรธธรรมชาติบรรยากาศก็กดีมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไป และจะอยู่ในที่ที่เย็นสบายเพราะติดแอร์ไม่มีเสียงรบกวนจิตใจอาจจะไม่สงบก็ได้ในทางตรงข้ามแม้ว่าอยู่ในที่ที่อากาศร้อนเสียงรบกวนหรืกระทึกโครมแต่ว่าใจสงบใจเย็นก็ได้มีเพื่อคนหนึ่งก็เล่าว่าบ่ายวันเสาร์เนี่ยเธอก็พักอยู่ที่บ้าน เปิดอร์เต็มที่เลยแต่รู Promise ้สึกอ้าวเพราะวันนั้นมีอากาศร้อนเธอก็รู้สึกหงุดหงิดนะการที่อยู่ในห้องที่ติดแอร์ยังสบายไม่มีเสียงรบกวนแต่มีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจอาจจะเป็นเพราะมันเย็นๆไม่พอแล้วมีหงุดหงิมากขึ้นเมื่อเด้ยินเสียงกดกริ่นและเสียงร้องที่ ร้องเรียกอยู่ที่หน้าประตูมันเสียงของบุริษัทไปซีบริษัทไปซนีเนี่ยมาส่งพัสดุมาส่งของเจอาคุณกิ๊ก็เพราะว่าเธอไม่อยากจะเดินออกไปรับเพราะขนาดในห้องแอร์เนี่ยถึงช่วมันอ้าวเลยออกไปห้างนอกเจอแดกเต็มเต็มนี้มันจะทุบร้อนแค่ไหนในความสูงเธอแต่บุริษัทไปซนีเนี่ยเพราะรู้ว่าในบ้านมีคนอยู่ เพราะว่ามีเสียงเปิดแอร์แล้วก็มีรถจอดอยู่ข้างในประตูประตูบ้านข้างในก็เปิดแกก็เลยรอแล้วก็ไม่ได้รอบปล่าแกล้องเพลงด้วยร้องเพลงดุทุ่งสุดท้ายเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องเปิดประตูออกมารับพัดสดุรับเสร็จก็ พูดกับบุรุษเปณีว่าแดดร้อนอย่างนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอเลยพูดทำนองประชดเล็กน้อยบุรุษเปณีเนี่ยทั้งที่อยู่ให้ตัวเนี่ยนะชุ่มเหงือห่อเลยนะก็ยิ้แล้วก็บอกว่ารบร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วมีความสุข ร้องไปส่งร้องไปก็ส่งจดหมายไปจะมีความสุขทั้งที่แดดร้อนอ้าวนะแต่ที่ผู้หญิงเนี่ยนะอยู่ในห้องแอร์แตนโมหิ่งนั่อจาได้ว่าแม้จะอยู่ในที่ที่มันร้อนแต่ใจเย็นได้นะสำหรับบลูเบอร์รน่น ท, นที้ใจเย็นเพราะร้องเพลงนะเพลงก็เป็นการปลอบใจ ทำให้ไม่ไปทุบร้อนกับอากาศที่มันแผดเผาแดดที่มันแผดเผาภูธรบร้อนแต่ใจเย็นมันทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาความเย็นเราจะเอาความสงบเนี่ยมันไม่ต้องไปที่ที่มันไร้เสียงไร้เสียงรบกวนไร้ความวุ่นวายอย่างเดียวหรือจะหาความสุขก็ไม่จำเป็นต้องไปหา ไปยังที่ที่มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะมีสิ่งเสษนะหรือว่ามีสิ่งบริโภคที่ปลนเปลอจิตใจปลนเปลอกายนะปลนเปลอตามอุจจุมูลิ้นอย่างเดียวที่จริงเนี่ยนะให้ความสุข ที่เกิดกับเราเนี่ยเวลาเรากินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะหรือไปเที่ยวห้างหรือว่าไปต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าเป็นเพราะอาหารอร่อยเราจะมีความสุขเป็นเพราะเราเป็นเพราะฟเพลงเพราะเราจึมีความสุขเป็นเพราะสถานที่สวยงามเราจึมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยเรามองข้ามไปสิบหนึ่งนะก็คือใจเราเนี่ย ก็ต้องเอออไปด้วยใจเราก็ต้องพร้อมที่จะมีความสุข ด, ด้วยหรือใจเราต้องสบายด้วยสมมุติว่าถ้าเราไปร้องไปฟังเพลงนิทรรศเนี่ยนะไปคอนเสิร์ตของนักดนตรีไปดูคอนเสิร์ตของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าใจเราเนี่ยกังวลถึงลูกนะต่อไปเมือง น, นอกไปนักตกแต่งกระาร่าไป แรงด์นยอนแต่ว่าเราเนี่ยได้รับข่าวว่าพ่อไม่สบายหรือว่างานที่กรุงเทพมันมีปัญหาตะคราญขั น, นเรามีความสุขนะเรากินอาหารในร้านที่ได้รับตรามิชลินสามดาวนะสุดยอดมากเลยนะแต่ถ้าเราขุนเคืองกับคนที่เขามาเขียนคอมเมนต์ด่าเรา ในเฟซบุ๊กซึ่งที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้านี่ยมันมีความสุขไหมอาหารอร่อยเพลงเพราะสถานที่สวยงามโรงแรมหรูแต่ถ้าใจเนี่ยนะมันมีความห่วงกังวลมันมีความวิตกมันมีความขุ่นเคืองไม่มีความสุขจิตใจเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญแม้กระทั่งสรับความสุขทั้งโลกนะ คามสุขทางโลกือกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะได้ไปเทีเ่ยวช้อปปิ้งทั้เรื่อความสุขทางโลกภาษาเขาเรี ย, ยกยา ก, ยา ก, การมาสุขแม้แต่ความสุขทางโลกรืการมาสุขเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกสุขได้เนี่ยใจก็ต้องพร้อมหรือใจก็ต้องเป็นเป็นบวกอย่งางไร้ใจไม่เป็นลบไม่เป็นลบเพราะว่าโกรธโมโหคุณนเครื่องที่ตกกังวล น, นี่คือมิติที่คนมองข้ามไป ว่าความว่าว่าใจเนี่ยมันเป็นวิธีที่สำคัญของความสุขแม้แต่ความสุขของโลกมีเงินหลายคนทช่จะทำให้ตัวมีความสุขแต่ถึงแม้จะมีเงินมากเนี่ยแต่วงกังวลเรื่องสุขภาพช่วงนี้น้ำหนักลดตัวซี่ มีหัวใจเนี่ยรู้สึกมันเต้นไปเป็นจังหวะแม้จะยังไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอเงินที่มีร้อยล้านพันล้านก็ไม่ทําให้มีความสุขเพราะใจมันห่วงวิตกเรื่องสุขภาพแต่สมมุติว่ามีเงินดีมีเงินมากมีสุขภาพดีแต่ก็จะไม่สุขได้เลยถ้าเกิดใจเป็นห่วงเรื่องลูกลูกเริ่มมีอาการคล้ายๆว่าจะ จติดยาหรือลูกสาวเนี่ยกลับบ้านดึกนะไปคบกับผู้ชายแถมกินเหล้าอีกทั้งเทียงอยู่ในวนัยเรียนหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วม ง, งานหรือมีปัญหากับสามีเขานอกใจหรือว่าเขากำลังใจแยกทางกันมีความสุขมาก มีเงินมากสุขภาพดีไม่ผ่ยไม่ป่วยแต่คนที่แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะมีปัญหาทำให้ใจหัววิตกกังวลหรือแค้นเคืองเงินบางทีช่วยอะไรไม่ได้เลยหมอคนหนึ่งนะเธอมาทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จ ต่อมาก็ได้พบผู้ชายที่อนายธุรกิจเหมือนกันก็ถูกค อ, อกันนะก็เลยแต่งงานกันที่แต่งงานผมมากกว่ถูกคอนะคงคง ม, ม, มีความสุขมีอะไรตรงกันหลายอย่างก็คิดว่าชีวิตจะมีความสุขได้เพราะว่ามีคนรักแล้วก็ธุร ก, กิจก็เจริญนะเงินก็ไหลามาเทมาแต่วันหนึ่งเพราะว่าสา ม, ามีนอกใจต้องหย่ากัน ตอนที่เธอรู้ความจริงเนี่ยนะเธอบอกชื่อไม่เหลืออะไรเลยความสุขมัน ม, มันไม่เหลืออะไรเลยทั้งที่เธอยังมีทุกอย่างนะขาดอย่างเดียวก็คือขาดคนตั้งที่ซื้อตรงแต่เธอสู้ว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเธอยังมีเงินเธอยังมีพ่อแม่เธอมีสุขภาพดีเธอมีฐานะมีชื่อเสียงแต่เธอบอกไม่เหลืออะไรเลยเธอเล่าว่าเนี่ยเวลาที่ ชีวิตยังราบาด้วปกติเนี่ยเอาเม็ด เ, เ, เ, เอาเอาเอาเพชรเนี่ยนะมาโรยอยู่บนโต๊ะเป็นสิบยี่สิบเม็ดคงหลายล้าน น, นะนะเธอดูแล้ว ม, มีความสุขแต่พอมีปัญหา ก, กับสามีต้องแยกทางกันเอาเพชรมาโรยเนี่นะมันไม่รู้สึกอะไรเลย มันเหมือนกรวดมันเหมือนหินมันช่วยอะไรเธอไม่ได้แม้นะจะแม้จะมีเงินมีสุขภาพดีนะแต่ถ้าใจเนี่ยมันมีความทุกข์เรื่องครอบอครัวลงหลานสมบัต์ก็มีปัญหาก็หาความสุขไม่ได้บางทีถืปโดยที่ค่าตัวตายแตนะ่สมมติว่ามีเงินแล้วมีสุขภาพดีนะครอบครัวไม่มีปัญหาแต่แล้วก็ยังมีความทุกข์ ทุกใจะเพราะส ja, ha, oui. ุดชุวเนี yep ่ยมันไร้ค่ามันว่างเปล่ามันกลวงข้างในในสมุทตกาเนี่ยมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อว่ายศสา์กุลระบุพ่อเนี่ยพ่อแม่นี่รวยมากนะรวยพ่อกับเจ้าชายสิทธัต t เลยรวยพ่อกับกษัตริย์เลยมีภาษาสามหลัง ภาษาสามฤ ด, ดูแต่ว่าวันหนึ่งกลางดึกยศักดิ์ตื่นขึ้นมาประมาณอาจจะสักตีสามตีสี่เห็นนางสนมเห็นนางกำนันหรือว่านักร้องนางรำเนี่ยนอนเกลื่อนกราดบางคนก็กลเลืน้นำลายไหลเห็นแล้วก็เหนื่อยเห็นแล้วก็หน่ายที่ตื่บกลางดึกเพราส่วนชื่อมันไม่มีคุณค่ามันไม่มีสาระ มีทุกอย่างนะเงินสุขภาพไม่ป่วยครอบครัวก็ดีก็เลยเดินเหม่อลอยออกไปนอกเมืองแล้วก็พูดว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนกระทั่งเข้าไปที่ป่ายสิปตนะที่ในพระพุทธเจ้าพูพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็สะดุดใจก็เลย สนธนาธรรมตรอนรังพระยศตอนยศศาก็จะเป็นพระรหัมม์แต่ว่าพระยศยศศากเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่มีทุกอย่างในชีวิตเท่าที่โลกจะเป็นปรันาแต่ก็ไม่พบสาระละเอียดท้ายในจิตใจซึ่งที่จริงก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนแบบนี้อยู่เยอะหลายท่านก็ทิ้งเงินทิ้งครอบครัวมาบวชเป็นฆราดอยู่กับงพรอชา ฝรั่งบางทีบางคนเนี่ยนัมีคนไทยเป็นลูกครึ่งนะพ่อนี่มาเสดที่รวยที่สุดในมาเลเซียเชิดดูเหมือนมีทุกอย่างแต่ว่ามันขาดข้างในมาบวชกับหลวงพชาทิ้งมรดกเป็นอาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างที่เราเคได้ยินขา่าวหรือถึงจะมีทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้จักพอ ได้มาทั้งรับก็ไม่พอมีบางคนเนี่ยนะก็เราว่าเนี่ยเมือ่อสองสามันก่อนเขาขายหุ้นไปได้กาไรสิบล้านแต่พอมาวันนี้เนี่ยหุ้นมันขึ้นนะสมมุติจากร้อยี่เป็นร้อยห้าสิบถ้าขายวันนี้เนี่ยนะแทนที่จะแทนถ้าไม่ขายเมือม่อเมื่อสองสามันก่อนมาขายวันนี้ได้กำไรยี่สิบล้านแต่ว่าขายไปแล้วเนี่ยเมือ่อสองสามันก่อน ได้สิบล้านทุกนะพอคิดอยู่อาแต่คิดว่าเนี่ยฉันน่าจะขายวันนี้ถ้าขายวัน้ฉันได้แล้วยี่สิบล้านทุกนะทุกจนป่วยแล้วเขาเ้าโรงพยาบาลเพราะไม่พอใจมันไม่นีสุดคอเรือเป็นเพราะว่าใจมันเนี่ยมันชินชามีคนพบว่ามีคนทําวิจัยพบว่า เขาไปทำวิจัยไปสอบถามความคิดเห็นความรู้สึกของคนที่ถูกลอตเตอรี่ทั้งสลากกินรวกสลากกินแบ่งในอเมริกานะเป็นพันคนนะแล้วก็พบ ว, ว่า 90% คนเหล่านี้เนี่ยความสุขเนี่ยที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะมันมีอายุเพียงแค่หกเดือนคือพอเพิ้นหเดือนแล้วเนี่ยนะ ความสุขมันก็จะก็จะรู้สก็จะมีความสุขเหมือนกับก่อนถูกลอตเตอรี่ความสุขมันจะพุ่งขึ้นมาวันแรกๆ แ, แล้วมันก็ค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งอยู่ในระดับเดียวกับตอนก่อนถูกลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขอย่างนั้นต้องไปต้องไปต้องไปชินโชคไปแสวงโชคอีกหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องหาทางหาเงินไได้เยอะ แต่ได้งท่งาไหร่ก็ไม่มีความสุขเพราะจริงๆแล้วนะความสุขที่ทำอยู่ที่ใจอารมณ์ผู้มาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อที่จะชีว่าไม่ว่าจะมีเงินนะไม่ว่าจะมีความสำาร็จทางโลกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทำให้เราได้วความสุขที่แท้ได้ถ้าหากว่าใจเราเนี่ยนะยังไม่ยังไม่สุขหรือยังไม่สามารถจะทำดวงใจได้ถูกได้ บางคนก็อาจจะแย้งขึ้นมาว่าโอเคน ะ, ะถึงแม้ว่ามีเงินร่ำรวยมีสุขภาพดีนะครอบครัวไม่มีปัญหาอาจจะไม่มีความสุขแต่ถ้าไม่มีเงินหรือสูญเสียเงินนะหรือว่าสุขภาพไม่ดีหรือว่ามีปัญหาในครอบครัวแล้วมันจะสุขได้หรือ มันก็เป็นไปได้นะถ้าวางใจถูกหลายคนที่ป่วยนะป่วยด้วยโรคร้ายแต่ก็มีความสุขหลายคนวพาโชคดีที่เป็นมะเร็งคนพิการหลายคนนะเขาจะไม่มีแขนไม่มีขาแต่ก็มีความสุข โอโตะทักเกะเนี่เป็นชาวญี่ปุ่นนะแกเกิดมาในพิการไม่มีแขนไม่มีขาทั้งทั้งสองข้างขาสองแขนสองไม่มีแต่ก็แกก็สามารถจะอยู่ในโลกที่ได้มีความสุขแกเขียนประโยคหนึ่งว่าผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสมุนทุกวันทั้งที่จะไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยรถเข็น มันมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เขาเจอเหตุร้าในชีวิตประสบความสูญเสียแต่พอเขาพบความสุขที่ใจเนี่ยน ะ, ะเขาก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติคนเราที่ทําได้อย่างไรอย่างหนึ่งที่เขาที่เขาสามารถจะทําใจทําสามารถจะอยู่กับ เหตุร้ายต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเพราะประการแรคือเขายอมรับความจริงเขายอมรับความจริงเขาไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นจริงเนี่ยอย่าว่าแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือกับทรัพย์สินนะเพียงแค่เรื่องธรมธรมดาๆเนี่ยถ้าเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราบัตทุกนะเช่นรถติดเนี่ยนะรถติดเนี่ย ถ้าเรายอมรับไม่ได้นี่เราหมุนหินเลยนะสังเกตนะั้งเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับกับความจริงหรือสภาพที่รถติดได้เนี่ยเช่นอาจจะมองว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาคุ้นเคยพอเรายอมรับได้เนี่ยความหมุนหินมันหายไปเลยหลายคนนั่งสมาธินะแม้แต่นั่งห้านาทีก็นั่งไม่ได้บอกว่ามันนั่งไม่ได้เลย มันฟุ้งซ่านเหลือเกินจริงๆความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือการที่ยอมรับความฟุ้งซ่านไม่ได้ความฟุ้งซ่านเป็นธรมมนนนธรมดาเจ็บมันคิดวอกคลิบแรกอย่งธรรมดาแต่เขาใจมันยอมรับอาการอย่างนั้นของใจของจิตไม่ได้พอเรายอมรับอาการอย่งนั้นไม่ได้เนี่ยมันจะหมดุดอีกแม้แต่นั่งห้านาทีก็เหมือน ก, กับตกอรม ปัญหาไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแต่ปัญหาเพราะใจไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านอาจจะเไปคาดหวังว่าท่านั่งแล้วมันจังมันต้องสงบหรือเพราะจะเอาความสงบให้ได้แต่ยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะในการปฏิบัติเนี่ยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งห่างไกลความสงบเพราะว่าความอยากเนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยมันดิ่ n ดิ้นมีสองอย่างดิ้นจะเอาหรือดิ้นจะพลักดิ้นอยากได้ความสงบแต่ไปเจอความวุ่นวายก็เลยอยากจะผลักพอผลักปุ๊บเนี่ยนะมันทุกข์เลยร้อนแต่พอเราทำใจยอมรับได้ความสงบมาเลยนะมีบางคนเนี่ยจะเป็นโรคร้ายนะอูคนหนึ่งจะชื่อแคล โรคกรามนอ่อนแรงที่ปลายประสาทนะคนเป็นโรคนี้เนี่ยมีน้อยมากแต่ถ้าเป็นละนี่มันทุกข์มากนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็ค่อยเริ่มเป็นทีละน้อยทีละน้อ ย, นยจนกระทั่งไม่สามารถจะขยับเยื่นอะไรได้ตอนนี้เธอเป็นไม่มากเนี่ยนะลูกเดินไม่ได้เนี่ยพ่อต้องอุ้มไปเรียนหนังสือ อ้มเธอเนี่ยขึ้นบันไดไปเรียนหนังสือแต่พอเธอถึงขั้นมัิยมเนี่ยตัวตัวน้ำหนักมากขึ้นพ่อก็แก่ตัวอุ้มไม่ไหวก็ต้องเลิกเรียนนอนบ้านร่างกายเนี่ยขยับเออะไรไม่ได้เลยมันยิ่งก็ติดคุกนะติดคุกที่ทำด้วยอาคารทำด้วยหินเนี่ยนะยังยังเที่ยวยังเล่นยังร้องเพลงยังกินอาหารอร่อยได้ แต่พอเป็นการมีอ่อนแรงนี่นะร่างกายมกายเป็นคุกนะร่างกายมการเป็นคุกเลยเธออยากตายนะแล้วก็รอวันตายแต่ตอนหลังเนี่ยนะก็ได้คิดนะเธอเริ่มยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ได้แล้วก็บังเอิญนะเธอก็สามารถจะ ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์เธอเนี่ยขยับอะไรไม่ค่อยได้นะขยับนิ้วยขยับไม่ได้เลยแต่ว่าพอมีคนมาอ่านนิยายให้ฟังยายาอ่านนิยายให้ฟังเธอก็อยากจะเขียนนิยายแล้วก็เธอก็ใช้เอ็นิ้วเนี่ยนะต้องงอต้องงอเนี่ยนะต้องงอนิ้วเลาะกดแล้วกดคีย์บอร์ดไม่ใช่จิ้มนะ ต้องมองอยับกดทีละตัวทีละตัวฉันเธอเริ่มมีความสุขกับการที่ได้เขียนนิยายเธอยอมรับสภาพความเจ็บป่วยได้เด <c oughs> ี๋ยวนี้เขียนนิยายมาสิบสี่เล่ม น, นะแล้วการเป็นกําลังหลักของครอบครัวไม่น่าเชื่อนะคนที่พิการเนี่ยนะกายเป็นคนที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าน้องก็ยังเรียนอยู่เธอก็ต้องหาเงินส่งเสียน้องแม่ตกงาน ก็ได้เงินจากเธอนี่ยแหละเธอมีความสุขกับสภาพที่เป็นทั้งที่เหมือนกับว่าร่างกายเป็นคุกนะเพราะเธอยอมรับกับสภาพที่เป็นได้หมอบอกว่าอายุสั้นนะบอกว่าอายุ14ปอนจะอาจจะอายุไม่ถึง14เธอก็อายุเกือบ30แนละ้วนั่นคุณล้อนี่ถ้าเราเจอแล้วก็ตามนี่นะ แม้ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายเนี่ยแต่ถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยใจมันจะเป็นปกติและสามารถจะพบความสุขกับสภาพที่เป็นได้ผู้เจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบหาสุขพบที่ไหนหาสุขพบที่ใจเ่อจากการยอมรับแล้วเนี่ยมุมมองก็สำคัญ ที่จริงการยอมรับประส่วนรณ์มุมมองนะมุมมองเช่นถ้าเรารู้จักมองบวกบ้างไม่มองแต่ลบหรือว่าถ้าเรารู้จักเอาใจในีอยู่กับปัจจุบันไม่ไปจดจอออยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยอามาไม่ถึงที่บางคนเนี่ยก็มีทุกอย่าง ฐาณะดีรูปก็ใฝ่ธรรมมาบวชที่วัดวตอกรรมมานะร่างกายไม่เจ็บป่วยแต่สีหน้าหม่นหมองเพราะเธอคิดถึงแต่ความลำเค็นในวัยเด็กอาจจะไม่ได้รับความอบุ่นจากพ่อแม่ใจ ก, ก็คิดถึงแต่เรื่องนี้นะทั้งที่มีทุกอย่างอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ซึมเศร้า เพราะว่าใจเนี่ยไปนึกถึงแต่ความผิดพลาดในดีมีที่ดินแปลงหนึ่งอยากจะให้ลูกเป็นมรดกแต่ว่าสามีมาบอกว่าขายเงินขายเธอนะตอนนี้บูทที่ดินมันกำลังบูมราคากำลังขึ้นแล้วก็เอาเงินให้ลูกเธอก็ตัดสินใจขายได้เงินมาเยอะแต่ว่าบอกว่าสามีก็เอาเงินนั้น ไปใช้ไม่ทราบว่าลงทุนหรือไปเล่นไพ่การพ น, นันจนไม่เหลือเธอเสียใจมากที่ตัดสินใจผิดไม่มีอะไรให้ลูกเป็นก่อเป็นกรรมผ่านมา20ปีแล้วนี่ก็ยังก็ยังทําใจไม่ได้ก็เลยซึมเศร้าให้เสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยไปจดจ่อกับมันทาไมบางทีก็ไปนึกถึงสิ่งที่มาไม่ถึง บางคนเอาแต่เศร้าโศกเพราะว่าลูกป่วยหนักหรือว่าสามีเป็นมะเร็งร่างกาย่ายพร้อมกินไม่ได้นอนไม่หลับมาคุยกับตัมา ก, ก็ร้องห่มร้องไห้ตั้มมา ก, ก็เลยทัดไปว่าเนี่ยลูกคุณก็ดีสามีคุณก็ดียังไม่ตายนะตอนนี้ก็ยังมีลมหายใจเขายังรับรู้อะไรได้ นี่คือโอกาสทองอย่าปล่อยให้มันผ่านไปรีบตับกทวงรีบช่วยประโยชน์ด้วยการทำความดีร่วมกันมีความสุขร่วมกันหรือมอบสิ่งดีนี้ให้กับเขาจะเอาแต่ร้องผมร้องไห้เพราะคิดถึงวันตายของเขาอ่ะจนลืมว่าจนลืมลว่าเขายังอยู่นั่นคือการปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปไอตอนเขาอยู่ก็ไม่ทำอะไรให้เขาเ็เอาแต่เสี ย, จยใจเขาขกำลังจะตาย อาแต่ลึกวันเนี่ยนึกถึงวันที่เขาตายแล้วพอเขาตายจริงก็เสียใจว่าอตอนที่เขาอยู่เราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเสร็จแล้วก็คิดแต่เรื่องการทําสังฆทานเนี่ยหลายคนจะปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปเนี่ยเพราะว่าเอาแต่คิดถึงอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงแม้มันจะโหดร้ายอย่างไงแต่มันยังไม่มาเขายังอยู่เอาจำอยู่กับปัจจุบันทําสิ่งดีๆสุดหตเขา พอผู้นี้ก็ตั้งสติได้นะยังดีตั้งสติได้หันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาดูแลจิตใจเพื่อว่าจะได้ขายเทความสิ่งดีๆให้กับคนที่กำลังจากไปหลายคนเนี่ยพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเวลาคนลักจากไปเนี่ยร้องไห้ทั้งน้ําตาอ่ายิ้มทั้งน้ําตายิ้มทั้งน้ําตาคือ ว, ว่าเสียใจก็จริงแต่ว่ายิ้มที่มีความสุขที่ได้ให้สิ่งดีๆกับเขา นะไม่เสียใจไม่โทษตัวเองว่าเราปล่อยเวลาหรือโอกาสทองให้บุตรลอยไป ใ, ใจที่มันไปอยู่กับอัตดีตัวตามไปอยู่กับนาคก็ตามเนี่ยนะมันมันคือใจที่ทําร้ายตัวเองแต่ถ้าเอาใจกลับอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยจะพูดกบความสุขความสงบเย็นได้หลายคนแค้นนะแค้นเพราะว่าไปจดจ่ออยู่กับการกระทําที่ไม่ดีของใครบางคน ทั้งที่มีทุกอย่างในปัจจุบันนะมีสุขภาพดีมีเงินมีลูกที่น่ารักแต่ใจนี่ผูกเจ็บนะเพราะคนบางคนที่ทรยศในละครทั้งที่ตัวเองก็ช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่สำคัญบุญตุวของเราแต่เรื่องมุมมองเนี่ยทำไมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใจที่ไปจดจ่ออยู่กับอดีอย่างเดียนะจดจ่ออยู่กับอดีไม่พอนะ บางทีไปเห็นแต่ง่าลบซึ่งมันทำให้แค้นคือทำให้โกรธทาให้รู้สึกผิดหลายคนเนี่ยดูแลแม่อย่างดีเป็นปีๆหลายปีด้วยแต่วันสุดท้ายที่แม่ชั่วงมงสุดท้ายหรือนาทีสุดท้ายที่แม่หมดลมเนี่ยตัวเองบังเอิญไม่ได้อยู่ กับแม่ไปนอนไปทำธุระที่สำคัญอย่เไปอำเภอไปทำบัตรประชาชนไปหาหมอก็เสียใจนะว่านาจีสุดท้ายเราไม่ได้อยู่กับแม่เราบบพร่องผ่านไปแล้วสิบปียี่สิบปีก็ยังเสียใจรู้สึกผิด อันนี้เนี่ยเป็นข้อหลายข้อใจเนีไปอยู่กับอดีตและมีหน้ำซ้ำยังไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นลบไอ้สิ่งที่เป็นบวกเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่กับดูแลแม่มาอย่างดีเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยมองไม่เห็นเห็นแต่ไอ้จุดที่ตัวเองเนี่ยพลาดคือไม่ได้ดูแลดูใจในนาทีสุดท้ายแต่ทั้งที่มันก็ไม่ใช่เป็นความตั้งใจมันไม่ใช่เป็นความมันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดหรือก็ว่าได้เพราะว่า เขาจะตายก็ไม่ได้บอกเราและเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายด้วยเน้นถ้าหันมามองไอ้สิ่งเป็นบวกบ้างนะไม่มองแต่ลบเนี่ยมันก็ทำให้ก็ยังสงบเย็นได้รู้สึกภูมิใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักไม่ใช่เฉพาความรู้สึกเพียงเรื่องความโกรธแค้นด้วยพี่พิพุูมแก้วเนี่ยเป็นนักพูด ชื่อดังแกเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยขึ้นรถขึ้นแท็กซี่เพื่อแท็กซี่ไปสับพักแท็กซี่แกก็เล่าเหตุการณ์เมื่อ14ปีที่แล้วแกเล่าว่าเนี่ยลูกเนี่ยเกิดชักหายใจไม่ออกกลางดึกลูกกระมาณสัก10ขวบแกก็อุ้มลูกเนี่ยนะไปที่ปากซอย แถวลาบคราวแต่มันดึกแล้ว ห, หารถแท็กซี่ไม่ได้เลยแกไม่รู้ทํไงนะแกก็เพิ่งคิดได้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีรถไป c k u p แกก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปปลุกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็นะขับรถเนี่ยไปส่งแกที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลาราชวิถีเนี่ยนะโรงพยาบาลเด็กเนี่ย ก็ส่งเด็กและช่วยเด็กได้ทาเวลาพอเด็กกวัดภายแล้วเนี่ยแท็กซี่เนี่ยแกก็ถามเพื่อนว่าขับรถมาส่งนี่จะเอาเท่าไหร่เพื่อนตอบห้าร้อยจะโกรธมากเลยนะให้จากบ้านแกเนี่ยมาพุสาวรีเนี่ยสามร้อยก็พอแล้วเกือาจะไม่ถึงแกเป็นแท็กซี่เนี่ย แต่แกก็ให้นะแต่แกโกรธแกแค้แล้ว14ปีผ่านไปแกก็ยังไม่หายแครนะจากน้ำเสียงเนี่ยคุณพี่พี่แกเดาว่าเนี่ยนี่แกกูไม่ใช่คนแรกนะหรือคนเดียวที่ได้ฟังเรื่องนี้แท็กซี่คนนี้คงเรามา14ปีแล้วพี่พี่ก็เลยถามแท็กซี่ว่าคุณขับแท็กซี่เนี่ยวันละกี่ชั่วโมงแกก็บอกประมาณ 8-10 ชั่วโมง ถึงบ้านนี่คุณทำอะไรถึงบ้านผมก็ไม่ทำอะไรเนะ่ยอาบน้ำกินข้าวเสร็จผมก็นอนเลยสมมุติว่าทีนี้ที่พี่กฤยถามสมมุติว่ามีเพื่อนบ้านคุณนะนะมาปุกคุณเตนึงนะมาขอให้คุณเนี่ยไปส่งเขาเนี่ยคุณไปไหมไม่ไปหรอกแค่เงินผมเป็นพันผมก็ไม่ไปเพราะสุขภาพสำคัญกว่า ผมเหนื่อยผมอยากพักคือพี่วิกไรบอกเนี่ยเพื่อนบ้านของคุณนะเขาคงเหนื่อยเหมือนกันไปทำงานหนักมากคุณแล้วตอนตีเหนึ่งเนี่ยมันมีคนมาปลุกเขาเพราะว่าลูกไม่สบายกำลังชักหายใจไม่ออกถ้าเพื่อบ้านคุณไม่มีรถไม่มีน้ําใจเนี่ยลูกคุณตายไปนานแล้ว แล้วถ่าคุณคิดเป็นนะว่าเนี่ยคนคนที่เ็าช่วยชีวิตลูกคุณไว้คุณควักเงินพันบาทจัดใสก่กระเป๋าเขาเลยคุณจะมีความสุขมากเลยแต่คุณเนี่ยกับคิดแค้นเขาดา่าเพื่อนที่เขาช่วยชีวิตคุณพอพูดอย่างนี้จะอึ้งเลยนะแท็กซี่แกด้คิดฮะ เือนแกจดจออ ย, อ, ยอยู่แต่ไอไอไอการที่เพื่อนบ้านเนี่ยเรียกเงินแกห้าร้อยบาทซึ่งเป็นเงินที่แพงในความเสื่อมแกแต่แกมองไม่เห็นอีกอีกมุมหนึง่งหรือด้านดีของเพื่อนด้านดีอของเพื่อนที่เขาช่วยชีวิตลูกเอาไว้และที่เขาช่วยได้นี่เขาก็มีน้ําใจตื่นมากลางดึกนตัวแกเองบอกว่าจะไม่ตื่น จะไม่จะไม่จะไม่รับลูกค้าเพราะว่าอยากจะนอนแต่เพื่อนบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยคนรับในแค้นแค้นใครบางคนเพราะเราเห็นแต่ด้านลบเหมือนกับแท็กซี่ที่เห็นแต่ด้านลบของเพื่อนบ้านที่เลี้ยงเงินห้ารอยบาทแต่ไม่ได้มองว่าเขามีน้ำใจเขาช่วยชีวิตลูกของตัวเองเอาไว้คุณผู้การพูดต่อไปนะว่า คุณถามเขาว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเพราะเเรรื่องื่องคุณต้องการให้อยากจะให้เขาปฏิเสธใช่ไหมแต่เขาไม่ปฏิเสธแถมเขาเรียกข้าร้อยคุณเลยแค้นนนี้คุณเห็นแกตัวหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าเออเรียกถามว่าเขา เ, าเท่าไหร่แล้วเขาบอกเขาให้เท่าไหร่เขาบอกเท่าไหร่คุณให้ไปเลยเนี่นะคุณไม่มีความทุกข์แล้วคุณไม่มีความแค้ที่ตกมาทีสบสี่ปี พอคิดพอผู้หญิงแกได้คิดนะแกถามว่าให้ผมจะทำไงดีนเนี่ยจะไปขอโทษก็ดีไหมเนี่ยผมย้ายจากบ้านนี้มามาต้องสามปีลแล้วคุณพี่พก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกเผาเขาคงไม่คิดอะไรหรอกนะแต่ปัญหาที่ใจเป็นเองสุดท้ายนี่แกปล่อยได้เลยความโกรธที่สะสมมาความให้สะสมมาสิบสปีกับวางได้เลย เหตุการณ์ไมเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าบุมมองมันเปลี่ยนแปลงไงจากเดิมที่เห็นแต่ว่าเขาเรียกเราห้าร้อยบาทากลัมามองว่าเขาช่วยชีวิตเราเขามีน้ําใจตึงขึ้นมากลางตึงเมื่อเราเราแข้งใครบางครใครแข้ขงใครบางคนจนรุ่มร้อนเนี่ยนะบางทีต้องถามตัวเองว่าเป็นเพราะเรามองไม่ถูกหรอกือเปล่าแต่พอเรามอง ให้ถูกมองให้เป็นนะให้ความทุกข์มันหายไปเลยตอนหลังเนี่ยแท็กซี่คันนี้แกก็มากราบนกราบคนที่คิดเพราะว่าทำให้แกได้คิดแล้วทำให้ความแค้นที่มันสะสมมาสิบสี่ปีมันหายไปยนี่เป็นเรื่องบุมบองการปล่อยวางก็สำคัญนะฮะ แต่ก่อนที่จะพูดถึงก่อนที่จข้ามาเรื่องการปล่อยวางมันมีอีกตัวอย่างอนึางที่น่าสนใจจะเป็นมะเร็งเต้านมนะเป็นผู้หญิงอายุก็ยังไม่มากแต่เป็นเนี่ยแกไม่มีความทุกข์เลยคิดอะไรตกใจแต่พบ ว, ว่าเป็นมะเร็งเนี่ย มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะแล้วใหญ่มากๆเลยก็คือทําไมทําให้แกเนี่ยหายจากโรคซึมเศร้าแกเคยเป็นโรคซึมเศร้ายามขาดตัวตามมาสามครั้งนะแต่พอเป็นมะเร็งนะโรคซึมเศร้าหายเลยแต่บอกเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยน่ากลัวกว่าโรคซึมเศร้ายิ่แต่บางทีบางคนมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นว่ามะเร็งเนี่ยมันนําสิ่งดีๆมาให้กับตัวอย่างไรบ้าง แต่แกบอกขอบคุณมะเร็งมะเร็งทําให้แกเนี่ยรู้จักตัวเองเกี่ยวข้งของกับโรคดีขึ้นและทำให้มีความสุขมากขึ้นมะเร็งยังอยู่นะแต่ว่ามุมมองจะเปลี่ยนไปนะใจก็สงบได้ใจก็เป็นสุขได้ดการยอมรับ ก, การมองรู้จักมองแล้วเนี่ยนะให้การรู้จักปล่อยวางก็สําคัญ ตัวอย่างที่ตมาเล่ามาเนี่ยมองดีๆมันเป็นเรื่องความยึดติดนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ยังไม่ปล่อยไม่วางแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ทุกข์เพราะมีปัญหาความสัมพันธ์ทุกข์เพราะโครคภัยไข้เจ็บแต่ จ, จะทุกข์เพราะงานก็ได้ตอนนี้งานเนี่ยนะมันเป็นต้นเหตุแห่งความเครียดความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ว่าได้ แล้วก็จริงเนี่ยไอ้ความเครียดความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มีพลังงานเยอะมากเท่ากับการที่วางใจไม่ถูกด้วยก็คือการที่ใจเนี่ยมันไปยึดติดอยู่กับผลผลงานเหมือนกับเวลาเดินทางเนี่ยเราทุกข์เพราะว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงใจมนบนอยูข้างหนเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงบา ง, งทีเดินทางก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะนั่งรถแต่ทุกข์นะ เพราะใจมันไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางข้างหน้ามันยึดมัน่นถือมั่นว่าอยากให้ถึงไวๆทํางานก็เหมือนกันนะมันไปจดจ่ออยู่กับผลงานเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหลายคนกลับมาบ้านก็เอามือกายหน้าผาเพราะว่างานยังคายปิดพร้อมแล้ววางเครื่องมือแล้วแต่ใจมันยังแบกเอางานกลับมาบ้าน ทีคุยกับลูกเนี่ยนะก็ไม่มีอารมณ์จะคุยมันก็แปลกนะหลายคนเนี่ยเวลาทํางานนะหรือที่ทํางานก็ไึกถึงลูกเป็นหงลูกแต่เวลากลับมาบ้านเจอลูกก็ห่วงงานมันะแปลกจริงนะนี่เราแบกอาไว้นนะหยุดทำงานก็แบกเรื่องลูกนะเสร็จงานแล้วเนี่ยเจอลูกก็เอายัย ง, ยงแบ่งงานอยู่ จร่งๆมันปล่อยได้นะวางได้แล้วควรวางด้วยมีเรื่องเล่า ว, ว่าสมัยที่อาจารย์พุทธทาเนี่ยท่านเริ่มมีการก่อสร้างอาคารหลายแห่งในสวนโมกเนี่ย mm hmm. เช่นโรงหมอบาลทางวิญญาณสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็มาสร้างอาคารชื่อว่าธรรมนาวาที่สวนโมกเนี่ยอาคารแต่ละอาคารใช้เวลานา น, า น, นหลายปีเพราะว่าใช้กําลังพระเองไม่ได้จ้างบริษัทมาก่อสร้าง ตอนที่สร้างอาคารธรรมนาวาซึ่งเรียกสั้นๆว่าเรือเนี่ยก็ใช้เวลานานก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมากราบท่านแล้วก็ถามว่าเรือเนี่ยหรืออาคารธรรมนาวะนี้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์พูดเพื่อท่านประกอบว่าเสร็จแล้วอจารย์งแกก็ดีใจนะเต๊อาจารย์เอง้าสงสัยเพื่อสองสามเดือนตอนนี้อาคารนี้เรือมันยังไม่เสร็จเท่าไรมันยัง ไปได้แค่ครึ่งเดียวทําไมไมันเรียกเสร็จเนี่ยก็ไปดูสถานที่ก่อสร้างพบ ว, ว่าเรือนี่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนก็เลยกลับมากราบอาจารย์พุทธาแล้วก็ถามว่าาอาจารย์ที่บอกว่าเรือเสร็จเนี่ยผมไปดูแล้วนี่มันยังสร้างได้แค่ครึ่งเดียวทํำไมอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วท่านก็หัวเราะแล้วบอกว่าเสร็จนะเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จมพรุ่งนี้ก็เสร็จมาลือนี้ก็เสร็จ คนเวลาเราทำคนเวลาเราทำอะไรเสร็จเนี่ยเราจะเราจะสบายใจเราจะปล่อยวางแล้วจุดสุสุสโปร่งโล่งแต่ความสุสุโปร่งโล่งเนี่ยนะมันมีก่อจังเป็นท่ า, าทุกวันนะเป็นความสึกสบายมันก็ว่าทําเสร็จแล้วงานยังไม่เสร็จก็จริงแต่ว่าใจท่านเนี่ยปล่อยวางนะตอนที่ทํางานอยู่หน้า ง, งานท่านก็ทําเป็มที่นะแต่พอวางเครื่องไม้เครื่องมือเนะี่ย ท่านก็วางงานไปจากใจเหมือนคนที่ทำเสร็จแล้วเพราะนะันะ้นเนี่ท่านก็สามารถที่จะมีความสุขได้แม้นะว่า ง, งานเนี่ยมันยังคาอยูนะ่ตอนเช้าวันลุกขึ้นก็ไปทำใหม่ใจจดจ่ออยู่งานพอถึงเวลาพักเวลาค่ำก็วางงานลงจากใจ การที่คนเราเนี่ยจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแมาจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าสามารถจะมีมุมมองนะเช่นปล่อยวางอดีตมาอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็มองเห็นแต่ด้านมองเห็นด้านบวกด้วยของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการที่จะปล่อยวางได้เนี่ยมันต้องมีนะต้องมีสติต้องมีสมาธิแล้วต้องอาศัยปัญญาสติมันทำให้เรารู้เท่าทัน ก็ทันความคิดว่าใจเนี่ยนะมันกำลังบ่นว้อวายตีพลอยทีท่พายหรือเปล่ามันกำลังไปอยู่กับอดีตหรือไปอยู่กับอนาคตมันกำลังเกิดแบกอะไรไว้หรือไมคนส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้จิตทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะการไม่รู้จักความรู้จับวาเพราะการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการที่วางใจไม่ถูก เพราะอะไรพ่อไม่เห you know ็นใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองเดี๋ยวนี้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้นะว่าตัวเองตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรเวลาธรมาถามว่ารู้สึกอย่างไรเนี่ยเราจะทํากิจกรรมเนี่ยในการอบรมเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบความคิดเอาความคิดมาตอบแทนที่บอกว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกดีใจเนี่ยเอาความคิดมาตอบบางคนโกรธไม่รู้เลยโกรธกลัวไม่รู้เลยกลัว เพราะาส่งออกิจของนอกหรือว่าใช้ความคิดมากไปจนกระทั่งไม่สามารถจะเห็นความรู้สึกของตัวได้และพราะนั้นก็เลยปล่อยให้ความปวดความเศร้าความสุขผิดเนี่ยมันกุ้มลุงทำลายจิตใจเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ความทุกข์ในใจเลยแมย้ความทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่รู้จักนะทำให้สามารถจะแยกแ ย, กแยกได้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมีหมอคนหนึ่งจะเล่า ว, ว่าแกก็ทํางานกับพวกหมออินเทอร์หรือเพรสิดแนนเนี่ย อยูบ่อยๆแล้ว ก, ก็สังเกตพฤติกรรมยางอย่างที่เกิดขึ้นกับหมอประจำบาบรืน Re ็กซีเดหลายคนทั้งอิน e ท n ด้วยคือว่าหมอเหล่านี้เนี่ยทำ ง, งานหนักนบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่ามันมีเคสมีคนป่วยเข้ามาดึกนๆก็ต้องไปไป ER ไปห้องไปดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุกระทันหันบางทีผู้ป่วยตายก็มีปัญหากลางวันก็ทา ง, งานกลางคืนก็ไม่ได้นอน และหลังจที่ไม่ได้นอนติดต่อกันหลายหลายคืนเนี่ยพอดูแลผู้ป่วยเสร็จเนี่ยแทบทุกคนนะกลางดึกเนี่ยแทนที่จะเข้านอนนะแต่จะเข้ารัาอาหารไปหาของกินทําไมฮนะคนเหล่านี้เนี่ยพอคนเหานี้ก็มีความทุกข์ในร่างกายเพราะว่ามันไม่ได้หลับไม่ได้นอ น, นแต่เขาคิดว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าหิว เพราะนั่นก็เลยตรงพอจอออกจากห้องเอาร์ R ก็ตรงเข้าหาของกินเลยและเป็นงานอ้วนนะร่างกายบอกว่าฉันอยากจะนอนฉันอยากจะนอนแต่เขาคิด ว, ว่าร่างกายบอกว่าฉันหิวฉันหิวเดี๋ยวนี้เราสุดแปลกยากกับตัวเองขนาดนี้นะไม่รู้ว่าระหว่างความทุกข์เพราะเหนื่อย <S <S เพราะไม่ได้พัก <S <S ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกับความทุกข์เพราะหิวมันแตกต่างกันยังไง แล้วเดี๋ยวนี้คนเครียดคนที่ไม่ไม่ได้ม่นอนเนี่ยจะมีอาการคืออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่เพราะไม่มีสติฮะไม่มีสติรู้กายไม่มีสติรู้ใจแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะโดยเพราะเราพยายามที่ฝึกในชีวิตประจำวันแล้วก็หมั่นภาวนาอยู่เสมอสมาธิก็ช่วยทำให้เราผ่อนคลายช่วยทำให้เราปล่อยวางได้นะ เวลาเราเคีด่ที่ทำงานจำว่าวนคุ้นคิดหรือว่านอนไม่หลับเรามาทําสมาธิกําหนดจิตที่ลมหายใจจิตเนี่ยมันรับได้อารมณ์เดียวมันทํางานได้อย่างเดียวพะจิตมันอยู่กับลมหายใจมันก็วางเรื่องอุ่นเสียใมายมันก็จะไม่ยอมอยู่กับลมหายใจนะมันก็จะเข้าสู่ล่องเดิมนิสัยเดิมก็คือคิดฟุ้งปรุงแต่งแต่พอเราฝึกให้จิตมีสมาธิบ่อยๆมีสมาธิบ่อย ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งตามลมหายใจแม้แต่เวลาทํา ง, งานเราก็ทำอย่างมีสมาธิโดยมีสติควบคู่กันไปตั้งแต่กิจกรรมอยู่เรียบบนเล็กน้อยกินข้าวอาบน้าถูฟันเก็บที่นอนซนะักผ้าล้างจานทําอย่างมีสติมีความสุขตัวให้ความสุขตัวเลยแล้วมันมาคู่กับสตินะ มีสติเมื่อไรก็รู้สึกตัวและถ้ารู้สึกตัวแล้วเนี่ยขุนใจสนว่าบุคคลเมื่นความสุขตัวแล้วเนี่ยกุศลกุศล้วทำ่ดที่ไม่เกิดก็เกิดอกุศลแล้วทำี่เกิดแล้วก็ดับไปกุศลแล้วทนี่นี้ก็รวมถึงความกลัวความเศรความเครียดความหุดหงิดมันมคลองจีคลองใจเพราะไม่รู้สึกตัวแต่พอเราเจริญสติทำสมาธิและท่าละคถูน่นะ ควาทุกตัวมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นทีทีทีทีทีปัญญาก็สําคัญนะที่อาจารย์สุธีเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของปัญญาเนี่ยเรื่องโดยเพราะการมีสมาธิถูกเนี่ยตั้งแต่ระดับโลกียะจกถึงระดับโลกุตตระโดยเพราะการที่เข้าถึงสักธรรมเห็นสักธรรมก็คือความจริงว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องคร่าคร่าสูญเสีย เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเพิ่ความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเพิ่มความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงเพิ่ความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดพลาดจากของเราของชอบใจเท้านั้นถ้าเราพิจารณาน้อมใจมาเราลึกถึงความจริงข้อนี้เสมอเมื่เมื่อมันเจออะไรเมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นกับร่างกายของเรากับข้าวของของเราทรัพย์สมบัติของเรากับชื่อเสียงหน้าตาภาพลักษณ์ของเรา หรือแม้กระทั่งกับคนที่เราลั่เนี่ยเราก็จะสามารถสงใจเป็นปกติได้ถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวกูของกูเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นมายภาภ้านะแล้วเรารู้เท่าทันว่าตัวกูเนี่ยมันจะพยายามที่จะคอ ย, ยประกาศตัวตนให้โลกรู้เสมอมันอยากจะให้คนชมมันอยากจะให้คนสรรเสริญนะนทนไม่ได้เวลามีคนมาต่อว่าตำหนิ เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ต่อว่าตำหนินะแค่ไม่กดไลน์เนี่ยก็ทุกข์แล้วไม่ทุกที่ทุกข้ออะไรเพราะไอ้ตัวกูเนี่ยนะตัวกูเนี่ยมันมันต้องการคําชื่นชมสรรเสริญและถ้าเราไม่หลงถ้าเราไปหลงเชื่อไอ้ตัวกูเนี่ยนะหรือปล่อยให้มันครอบงำเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเพียงแค่ใครคนไม่ชอบเราเนี่ยเราก็ทุกข์แล้ว คร ท, ที่มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครไม่ชอบเราก็เป็นปเรื่องของเขาและที่จริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาลโลกนะสารเสื่อกันยิงธารนของคู่กันมีลาบกับเสริมลาบมียอ ก, กับเสริมยอดเนี่ยมันมาด้วยกันถ้าเาเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยนะเวลามันเกิดความสูญเสียพัดพลาดนะเราก็ทําใจได้ใจเราก็ยังเป็นปกติได้โดยเพราะถ้าเราเห็นความจริงว่ามันไม่มี อะไรที่จะยึแตัวเป็นตัวครูของกูแม้แต่น้อยเลยแม้กระทั้งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถึงเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทุกนี่ผู้ชายคนนึะงชื่อดำริณเป็นช่างไฟบอกว่าไฟเนี่ยมาไปช็อตขาแกไฟฟ้าแรงสูงนี่ต้องตัดขาสองข้างที่การตลอดชีวิต ไ, ไม่ช้าไม่นานนะ ภรรยาก็ทิ้งไปครึ่งเสียขาไม่เท่าไหร่แทนที่จะได้ภรรยามาช่วยนะภรรยาก็ทิ้งไปถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างไรนะนบคงคมสุงมือก็โลกซ้ํากรรมซัดบางคนจะสึกน้อยเนิ่นต่ำใจดูโกดแค้นแต่ว่าชายคนนี้จะไม่ไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะมีคนมาถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งไปแต่ก็ตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเลย คุณคิดดูซิแม้ระทั่งขาทั้งสองข้างมันไม่อยู่กับผมเลยแล้วเจมีอยู่กับผมได้ยังไงจะเห็นความจริงนะว่ามันไม่อะไรที่จะเป็นของเราอย่างแท้จริงวันไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องทิ้งเราไปขาเนี่ยที่มันมาอยู่กับเราตั้งแต่เกิดเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอด แต่ว่าในสุวก็ต้องจากเราไปเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้ถึงเวลาเมียทิ้งไปมันก็ไม่ทุกข์นะใจเรียนเป็นปกติได้พราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ล้วนละแวกเป็นทุกข์ก็คือว่ามันต้องเสื่อมต้องเสียหรือว่าต้องตกอยู่ภายใต้ความอีกขั้น กดดันซึ่งต้องกลายเป็นลงเอยด้วยการเสื่อมสลายไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยถ้าเมีปัญญาแบบนี้เนี่ยก็สามารถจะพบสุขได้ในทุกที่เป็นสุขได้ในทุกสถานนะไม่ว่าจะเจอแม้ไม่ว่าจะเจอโลกธรรมฝ่ายลบคือความเสื่อมราบเสื่อมยศ ด, ดินพาหรือเจอทุกข์ใจก็เป็นปกติ และเวลาที่เจอลัทธิธรรมไฟบวกนะก็คือได้ลาบได้ยศได้คําสารเสริญนะมีความสุขสบายใจก็ไม่หลงเลอะไม่ไม่ได้หลงรล ะ, ล ะ, ละเิยเพราะก็รู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงเขาชมเราวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะด่าเราได้หรือถึงแม้ไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นที่ดา่าเราแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะด่าเราก็ได้เออฉันะถ้าเรา เห็นความจริงแบบเนี้นะอันนี้เลยว่าดู่สมารถทิฏฐิมีความเข้าใจความจริงของโลกความจริงชีวิตเราก็ทําให้จเราปปกติได้และมันทําให้เกิดกําลังในการที่จะเข้าถึงความสุขที่ว่านี้มากขึ้นยิงถ้าเราได้มาเป็นภาวนาจนกนะทั่งได้เห็นว่าเห็นอย่างจ่มชัดเลยนะว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่เป็นไม่มีอะไรที่จะยึดถือว่าเป็นเราของเราได้สักอย่าง การปล่อยวางอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นและการเข้าถึงความสงบเย็นเพราะว่าได้เข้าถึงภาวะที่เรามิผ่านก็จะเป็นไปได้ทนมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็ขอยุติ ก, การบรรยายจะเป็นงเท่านี้